เ, เมื่อ60สิกว่าปีก่อนนะที่ประเทศอเมริกามีชายหนุ่มคนหนึ่งฉนะลาดหัวดีได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาตรีที่มาหาวิทยาลัยชั้นนำนะของอเมริกานะโคลัมเบียช่วงที่เรียนทั้งสออยู่ที่นั่นเนี่ยก็ไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนหลังก็ได้มาเป็นเพื่อนร่วมหอ ร่วมหอพักเนี่ยสนสนองคุ้นเคยกันมากชายหนุ่มคนเนี้ยชีวิตก็ทำท่าว่าจะก้าวหน้าโดยดีเพราะว่าเรียนเก่งได้เกรดดีแต่พราว่าพอเรียนไม่ได้ตั้งปีสองนี่ตาเริ่มมีปัญหาไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยผิดก็ทำให้อาการมันลุกลามมากขึ้นท้ายตาก็บอด อยู่ชั้นแค่ปีสองปีสามตาบอดแล้วชว่นิ่มเหมือนกับว่าอนาคตนี่ดับบูบเลยนะเขาเรียนหนังสือต่อไม่ได้แล้วก็พอแท้เสียใจมากก็เลยเลิกเรียนกลับบ้านแล้วต่อหลังนี้ก็จมอยู่กับความอ่จมอยู่กับครอกกรรมของตัวเอง จงกรนทั่งมีอาการซึมเศร้าพอช่วนี้หมดหวังแล้วแต่เพื่อนร่วมห้องของเขาเนี่ยคนที่ชื่ออาร์ตพอรู้ว่าเพื่อนตาบอดแล้วก็เลิกเรียนกลับไปอยู่บ้านนะอาร์ตนี่ก็ไปหาเพื่อนเลยนะแล้วก็ขยันขยอใ ห, ให้เรียนต่อ ให้กำลังใจไปอย่าท้อแท้หนุม่มคนนี้เด็กชื่อแซนดี้เนี่ ย, ย, ยกขาบอกนายฉันจะเรียนต่อได้ไงฉันตาบอดแต่ว่าเพื่อนนะบอกว่าเนี่ยถึงจะตาบอดนะแต่ว่าฉันก็จะช่วยคุณนะจะช่วยทุกอย่างเลยรวมทั้งอ่านหนังสือให้ฟังด้วย ถึงแม้ว่าคุณจะตาบอกนะแต่ว่าฉันจะขอเป็นแสงสว่างนะช่วยให้คุณเนี่ยเรียนจบจะอ่านหนังสือให้ฟังจะอ่านบทอ่านข้อสอบให้ด้วยให้กาลังใจสารพัดเลยนะสุดท้ายแซนดี้นี่ก็ตัดสินใจกับไปเรียนต่อ และเพื่อนในชื่อชื่ออาร์นี่ก็ทําอย่างที่พูดนะมันช่วยเหลืซนดีทุกอย่างรวมทั้งเรื่องการเรียนนะอ่านหนังสือให้ฟังแซนดีมันก็มีกําลังใจนะเรียนต่อจนจบแล้วก็ไม่ได้เรียนแค่จบนะเรียนได้คะแนนอันดับต้นๆในของชั้นด้วยจรปริญญาตรีแล้วไม่พอนะเรียนต่อปริญญาโท โคลัมเบียนะโคลัมเบียนี่ก็เป็นหมาอะไรชื่อดังแล้วก็เรียนย่างมากจบปริญญาโทแล้วไปต่อปริญญาเอกที่หมา ห, หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดฮาร์วาร์ดนี่ก็หินนะวิชาการมากจบปริญญาเอกฮาร์วาร์ดแล้วตอนหลังนี่ก็ไปเป็นนักธุรกิจแล้วก็ทํากิจการหลายอย่างรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แล้วก็เป็นนักประดิษฐ์ด้วยเพราะว่าเขามุ่งมั่นนะที่จะหาทางผลิตเทคโนโลยีที่ทำให้คนเนี่ยที่ตาบอดเนี่ยกลับมามองเห็นได้ตอนหลังก็กลายเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีหลายคนนะด้านกฎหมายแล้วก็ด้านการประดิษฐ์วิทยาศาสตร์กลายเป็นว่าชีวิตนี่กับประสบความสําเร็จแล้วก็รุ่งโรจน์นะ ท่าที่ตาบอดนะแม้ว่าตาบอดนี่ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะดับบูบนะเส้นทางอนาคตก็ยังสว่างสวยนะขอเพียงแต่ไม่ท้อแท้ท้อถอยนะม้แต่บ่นโวยวายตีโพยตีพายยอมรับข้อจำกัดของตัวเองได้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปสันดีนี่นขนาดตาบอดนี่นะ ไปไหนมาไหนนี่ก็ไม่ใช้ไม่ใช่หมานําทางนะคนตาบอดหลายคนจะต้องใช้หมานําทางหรือว่าใช้ไม่เท้าแต่แซนดี้นี้เขาพยายามไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เลยเดินไปไหนมาไหนด้วยตัวเองถ้านั้นไม่พอนะเล่นบาสเกตบอลก็ได้ตาบอดแต่เล่นบาสเกตบอลได้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นคนก็จริงแต่ว่าเขารู้สึกได้นะ เวลาคนเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีคลื่นมาสัมผัสตัวเขาจะไม่เขารู้ว่านะจะหลบจะลีกได้ยังไงก็เป็นคนที่อัศจรรย์มากนะจากคนที่ท้อแท้ท้อถอยนะรงทั่งเป็นโรคซึมเศร้านี่กลายเป็นคนที่สามารถที่จะทำความสำเร็จให้เกิดขึ้น แล้วไม่ได้เกิดประยชกับตัวเองเดียว น, นะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะอาศัยมิตรภาพนะอาศัยความช่วยเหลืออาศัยน้ําใจนะจากเพื่อนร่วมห้องนะที่ชื่ออาร์ตเนี่ยแล้วก็ยอมรับนะมาทําไม่ได้กําลังใจจากเพื่อนคนนั้นเนี่ยช่วยเขาก็คงจะมาไม่ถึงวันนี้เพราะว่าเขายอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้ว แต่ว่าน้ำใจของเพื่อนรวมทั้งพร้อมจะช่วยเหลือเขาเพื่อนคนนี้ก็น่าสนใจนะอาร์ตเนี่ยถอยหลังไปเนี่ยตอนที่แซนดี้จบใหม่ๆเนี่ยอานี่แกไม่ชอบเล่นดนตรีแกก็แต่งเพลงนะเพื่อชื่นด้วยความชื่นชมเพื่อนคนนี้ แล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนคนนี้ด้วยแต่งเพลงแล้วก็อยากจะ อ, ออกทำแผ่นเสียงแต่ไม่มีเงินก็เลยขอยืมเงินนะจากแซนดี้เนี่ยเพื่อไปทำแผ่นเสียงเพื่อนก็ให้นะให้มาสี่ร้อยดอลลาร์นะ เงินสมัยนั้นก็ประมาณหมื่นบาทแต่ว่ามันก็เยอะทีเดียวอ่า น, นี่ก็เอาเงินนี่แหละนะไปออกแผ่นเสียงโอ้วกลายเป็นเพลงที่ดังที่มาเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้คนก็ยังฟังเพลงนี้อยู่เพลงนี้ชื่อว่า the star of silence ใครที่เป็นนักฟังเพลงเนี่ยต้องรู้จักนะอานการฟังเก้วนะ อาร์ตคนนี้คืออาร์จากฟังเกลซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากคู่กับพอลไซมอนเพลงเ o อะทรา s ไ l e เล e เนี่ยเป็นเพลงที่มีคนฟังนี่นับสิ บ, สบล้านคนแล้วนะแล้วก็ทำให้อาร์ตเนี่ยกลายเป็นนักดนตรีชื่อดังเนี่ยก็จากเพลงนี้ก็กลายเป็นว่า ทั้งสองคนที่ต่างอุ้มชูซึ่งกันและกันอาร์นี่ก็ช่วยให้แซนดี้นี่สามารถจเจรินต่อจนจบแล้วก็กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตลการงานถ้าไม่ได้อาร์แซนดี้ก็คงจะไม่มีชีวิตที่รุ่งโรจน้าวหน้าเหมือนอย่างทุกวันนี้นการเือดนแซนดนี้ก็ช่วยทำให้อาร์นี่ กลายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่มันอนมิตรภาพนี่มันสามารถจะอุ้มชูและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะแม้แต่ค น, คนที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นได้อันนี้นี่จะว่าไปนี่อาร์ตกับฟงเกลนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นนักดนตรีที่ชื่อดังนะถ้าว่าเขาไม่มีน้ําใจ ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ไม่ได้มีน้ำใจที่จะให้กําลังใจเพื่อนไอเพลงที่ก็แต่งเพื่อจะให้กําลังใจเพื่อนนี่แหละสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาช่วยทําให้เขาเนี่ยนะประสบความสำเร็จในอาชีพนักแต่งเพลงแล้วก็นักเล่นดนตรีนะแันดี้เนี่ยต่อหลังนี่ยพอเขาดังแล้วเขาก็เขียนบันทึกนะอัตชั่วประวัติ หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันชื่อว่า Hello Dark n e s s My Old Friend นะซึ่งเป็นประโยคแรกนะของเพลง The South Silence เนี่ยเพลง The South Silence มันก็เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า Hello Dark n e s s My Old Friend Sandy ที่เขาเอาอประโยคนี้นะประตั้งเป็นหนังสือเป็นเชื่องสื่อศาสต ร, ร์เชื้ยป่วยอววของเขาคนระับเพราะว่าเพลงเนี่ยมันทำให้ เขาเนี่ยได้สติมีกําลังใจให้หมองว่าความมืดบอด น, นี่มันไม่ใช่เป็นศัตรูแต่เป็นเพื่อนเก่านะเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนสนิทที่คุณเคยเอาไว้นะไม่ใช่ศัตรูแล้วก็จริงนะแม้เาตาบอดแต่เขาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนไปกับความมืดที่เกิดขึ้นเลยเก็ยงสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วก็ประสบความสำเร็จยิ่งกับคนทั่วไปได้ เรื่องนี้ของเรื่องของสองคนนี่มันก็ชี้เห็นนะถึงเรื่องของคุณค่าของมิตรภาพและการไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ต่อชะตา ก, กรรม